มาดูหาระต่อเลยหาระต่อไปคือโสธนะหาระโสธนะนี้เป็นโดยศัพท์แปลว่าการชําระนะคือวิธีชําระบทชําระอัถะของบทชําระปุจฉาชําระวิสัชนาเป็นต้นพรันโสธนะหาระนี่เป็นหาระว่าด้วยการชําระเนี่ยนะนะชำระ ชำระกับตรวจสอบนี่อันเดียวกันไหมอันนะตรวจสอบนั่นแหละกันเดียวกันนะคคือตรวจสอบเพื่อความละเอียดละอและถี่ท่วนเนี่ยนะโสธนาหารานั้นเป็นวิธีการชำระเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชำระโดยบทโดยอัฐะของบทโดยปุจฉาวิสัชนาหรืออารัมพะเนี่ยนะการพยายามทำให้สมบูรณ์ สรุปว่าการพิจารณาความหมดจดและไม่หมดจดแห่งอัดที่ถูกปรารพไม่ว่าจะเป็นคำถามคำตอบและคำที่ท่านยกขึ้นสู่คาถาการชำระการพิจารณาดังกล่าวเรียกว่าโสธนะหาระปกติแล้วการชำระมีอยู่ห้าประการด้วยกันชำระบทชำระประทับฐะชำระปุจฉาชำระวิสัชนาและชำระอารัมพสุธิอารัมพสุธิก็คือความพยายาม ทำให้สมบูรณ์ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องอโสธนะหาระเนี่ยนะคนที่เขาเรียนบาลีมามากๆเนี่ยเขาก็จะมองออกวิธีชำระโดยบทโดยอัฐะของบทเป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียนและเขาจะเข้าใจมันก็ถือว่าเป็นหลักการกฎเกณฑ์ที่ที่ผู้ที่เรียนบาลีเรียนภาษาเขาจะอ่านแล้วก็เข้าใจประโยคเข้าใจความประสง เนื้อหาที่เต็มสมบูรณ์ของคำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะของเราก็เรียนเอาแนวทางเอาทิศทางไปก่อนพระชิตะถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปรารยนะวัรคหรือปรารยนะสูตรว่าโลกถูกอะไรนี่หุ้มห่อเอาไว้โลกย่อมไม่ปรากฏเพราะทำอะไรพระองค์กล่าวอะไรว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นอะไรเป็นภายใหญ่ของสัตว์โลก คำถามแรกเขาบอกว่าสัตว์โลกนี่ถูกอะไรครอบงำไว้ถูกอะไรห่อไว้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสัตว์โลกถูกอวิชาี่หุ่มห่อเอาไว้ห่อไว้จริงๆเลยห่อไว้ทุกทวารทุกอารมณ์ไปหมดเลยสัตว์โลกย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรไม่ปรากฏเพราะความสงสัยไม่ปรากฏเพราะความประมาทบางแห่งก็คือความตรนีนะที่ไม่ปรากฏปกปิดตัวเองอยู่นั่นแหละ มันมืดไปหมดเลยก็เพราะประมาทอยู่เพราะยังลังเลสงสัยเพราะไม่แน่ใจในคําสอนอะไรเลยพระองค์กล่าวว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาสัตว์โลกนั้นพระองค์บอกว่าตันหาเรากล่าวตันหาว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้อะไรอะไรเป็นภัยใหญ่อะไรเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับสัตว์โลกความทุกข์เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดสําหรับ สัตว์โลกนะความทุกข์นั่นแหละเป็นภัยภัยแปลว่าน่ากลัวความน่ากลัวของโลกก็คือความทุกข์นั่นเองคาถานี้เป็นคาถาที่คําว่าตันหาอะไรเป็นเครื่องฉาบทาพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าตันหาเป็นเครื่องฉาบทาอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์จะอวิชาเป็นเครื่องหุ้มห่อสัตว์โลกไม่ปรากฏเพราะความสงสัยเพราะความประมาทตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้พระพุทธเจ้าประกาศถึง สมุทัยสัจจะทุกเป็นภัยใหญ่ของศัตว์โลกอันนี้เป็นทุกขสัจจะถูกต้องอนะมันก็เป็นสัจจะคือเป็นการถาม ถ, ามถึงทุกขสัจและสมุทัยสัจจะพระองค์ก็ตอบโดยทุกขสัจะและสมุทัยสัจจะส่วนวิธีการชําระเนี่ยนะชําระบทชําระบทแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ชําระอัดที่ปรารบไม่อย่างที่บอกว่า สัตว์โลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้อันนี้ก็เป็นการชำระบทสัตว์โลกไม่ปรากฏเพราะอะไรบอกไม่ปรากฏเพราะความสงสัยเพราะความประมาทอันนี้ก็เป็นการชำระบทตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกคําถามคําตอบเหล่านี้ก็เป็นเครื่องส่งชำระบทส่วนปัญหาสุดท้ายนี่นะที่บอกว่าทุกข์เป็นไทยใหญ่ของสัตว์โลกอันนี้เป็นการชำระทั้งทั้งบทด้วยชำระทั้งอัตถะที่ปรารบด้วย สรุปว่าถามตอบทุกประเด็นเนี่ยนะเป็นการถามตอบได้ทุกประเด็นและเป็นการถามตอบที่สมบูรณ์เนี่ยนะสมความประสงสมสมความต้องการของผู้ถามอย่างคำว่าไอ้อัดที่ปรารบแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าอารัมพระสุธิเนี่ยนะเป็นการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องปัญหาต่อไปบอกว่าทาชิดตะทูลถามว่ากระแสกระแสตันหาเป็นต้นเนี่ยนะ ย่อมไหลไปในอายตนะทั้งหลายหรือไหลไปในทวารทั้งหลายอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสตันหาที่ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นเนี่ยนะอะไรล่ะเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นนะขอพระองค์จงตรัสบอกการป้องกันกระแสทั้งหลายกระแสทั้งหลายเนี่ยจะปิดกั้นด้วยธรรมะอะไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องกั้นเยนะเป็นเปรียบเหมือนก็ถ้ากระแสน้าที่มันไหลไปเอาอะไรมาเป็นทำนบ เอาอะไรมาเป็นเขื่อนขวางไ้ไม่ให้มันเป็นไปละ่ะพระองค์ตรัสตอบว่าอชิตากระแสตันหาเป็นต้นเหล่าใดที่ไหลไปในโลกสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสเหล่านั้นสติตัวนี้เป็นชื่อของอะไรวิปัสสนานะสติไม่ใช่สติธรรมดาแต่หมายถึงสติที่เป็นไปกับวิปัสนาเช่นกายานุปัสนาสติประธานเวทานานุปัสนาสติประธานจิตตานุปัสนาสติประธานและ ธรรมานุปัสนาสติปทานพระองค์บอกว่าสตินี่แหละเป็นเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายสติปทานนี่แหละเป็นเครื่องกั้นกระแสแต่กระแสเหล่านั้นเนี่ยพึงถูกตัดขาดปิดกั้นตัดขาดด้วยมรรคปัญญาวิปัสนาเป็นสติสติที่เป็นสติที่อะไรนะกายานุปัสนาสติสติปทานอ่ะพวกนี้เป็นเครื่องกั้นกระแสแต่ว่ากระแสเหล่านั้นตัดขาดเด็ดขาดจริงๆที่มรรคปัญญา นนกระแสเรเาใดย่อมไหลไปในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสอันนี้เป็นการชําระบทส่วนบอกว่าสตินั่นแหละเป็นเครื่องป้องกันกระแสในขณะแห่งมรคนั้นกระแสเหล่านั้นถูกปิดกั้นด้วยปัญญาอันนี้ชําระอัดที่ปรารบแล้วก็คือคาถานี้เน้นสัจจะอะไรสัจจะอะไรเอ่ยมรคสัจจะนี่นะ ส, ส, ส, สติเป็น วิปัสนาปัญญาเป็นมรคปัญญาก็คือสรุปว่าวิปัสนาและอริยมรรคก็กลุ่มน้สายนี้เป็นมรคสัจจะีนคำถามเกี่ยวกับนิโรสัจจะถ้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกปัญญาและสติก็ดีนามรูปก็ตามทั้งหมดนี้ดับสนิทที่ไหนโอ้ไม่เอาแล้วนะจะดับให้มันหมดเลยไม่ให้มันเหลือเลยไม่ให้มันเหลือนามเหลือรูปเลยดับให้มันหมดเลย พระองค์อันค่าพระองค์ถามแล้วขอจงบอกที่ดับนั้นอาชิตะเราขอตอบปัญหานั้นแกเธอนามรูปย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ใดหมู่นามรูปทั้งปวงนี้ดับสนิทด้วยการดับแห่งวิญญาณถ้าดับวิญญาณได้ก็ดับนามรูปได้ดับวิญญาณได้เนี่ยนะดับนามรูปได้มันดับยังไงดับวิญญาณเนี่ยดับยังไง อันนี้เป็นนิโรศสัจจ์นะดับวิญญาณดับยังไงนาะสวงเบวงสวงเลยยันได้มาหลอกมาหลอนกันเลยอย่างงี้มั้ยทไงดับวิญญาณไหนอภิสังขารกาวิญญาณกับกรร ม, มะปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะโสดาปฏิมรักดับดับวิญญาณไหนบ้างโสดาปฏิมรักเนี่ยเกิดขึ้นดับ โลภะโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงและวิจิกิจฉาสัมปยุตเอกหนึ่งดวงแล้วก็โสดาปฏิมักเนี่ยดับอะไรดับปฏิสนธิในอบายทั้งหมดดับปฏิสนธิจิตในภพที่8ดทั้งหมดถ้าดับโลภะได้แล้วถ้าดับโลภะได้แล้วนามรูปที่มีโลภะเป็นสมุธานก็ชื่อว่าเป็นอันถูกดับถ้าดับปฏิสนธิ ในอบายได้แล้วดับปฏิสนธิจิตในภพที่แเป็นต้นแล้วนามรูปที่จะพึงเกิดสืบเนื่องมาจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอันถูกดับสะกทะาคามิมักดับอะไรดับกามราคะกับปฏิฆะอย่างยากแล้วก็ดับปฏิสนธิในภพที่สองเป็นต้นในหมู่มนุษย์อนาคามีมักดับอะไรดับกามราคะปฏิฆะอย่างละเอียดนะแล้วก็ดับ ปฏิสนที่ในการมาพบทั้งหมดอารหัตมรักเกิดขึ้นดับอะไรดับดับอภิสังขารทุกชนิดดับกรรมทุกประเภทอารหัตมรักนั่นแหละดับปฏิสนที่ในพบทั้งปวงทั้งหมดนะนะพัน้าด้วยอนุภาพของอริยมรักเนี่ยดับดับกรรมะวิญญาณและดับปฏิสนที่วิญญาณพันธะดับกรรมวิญญาณได้แล้วดับปฏิสนที่วิญญาณได้แล้ว ถ้าวิญญาณไม่หย่างลงนามรูปจะเกิดได้ไหมถ้านามรูปไม่เกิดอายตนะทั้งหลายจะมีไหมถ้าอายตนะทั้งหลายไม่มีผัสสะเวทนาเป็นต้นจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะดับวิญญาณได้ดับกรรมวิญญาณและดับปฏิสนธิวิญญาณแต่ที่จะดับวิญญาณเหล่านั้นได้ก็ต้องน่นแหละย้อนกลับมาหาสติย้อนไปหาปัญญาย้อนไปหาสมถวิปัสสนาย้อนไปหา อริยมรรคนั่นแหละเป็นเครื่องที่ดับวัตถทุกขเหล่านั้นคาถานี้ถามมาคําถามอะไรเป็นถามอะไรนิโรสัจจะเนี่ยนะเนโรสัจจะพระชิตาเนี่ยถามถามอริยสัจนะโทษอีกครั้งหนึ่งว่ า, าวที่ถามถึงอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มหอ่อไม่ปรากฏเพราะสงสัยเพราะประมาทตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าตอบสมุทยสัจจะ ทุกเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกพระองค์ก็ตอบทุกขสัจจะเครื่องกั้นกรสหะคือสติและปัญญาอันนี้เป็นมัคสัจจะพระองค์บอกว่าความดับแห่งนามรูปก็ดับมีได้เพราะความดับแห่งวิญญาอนะันนี้เป็นเนโรสรัจจะเนี่ยนะพระองค์ก็ประกาศสัจจะอชิตามานุก็ถามปัญหาอีกต่อไประยะหนึ่งพอจบคําถามพระองค์ตอบเสร็จบรรลุเลยนั่นไง เราก็ได้ยินรู้ว่าโอ้นี้เขาถามอริยสัจต่อปริยสัจนี่ก็เอาละรู้หนทางแล้วว่าเขาบรรลุอะไรกันใช่ไหมเขาถามอริยสัจเขาตอบอริยสัจเราก็ได้ยินเรื่องอริยสัจสักวันหนึ่งเราต้องเห็นอริยสัจมันใจมันมุ่งแค่ไหนจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาานะถ้าใจมุ่งจริงก็สมควรแล้วที่จะเห็นอริยสัจใช่ไหตัางเป้าไว้แค่ไหนว่าชาตินี้ต้องเห็นอริยสัจให้ได้มีศรัทธาแลือเกินฟังแล้วอุ๊ออริยสัจฟังแล้วเลื่อมสายเลยนะ ใจผ่องใสแล้วก็ปรารถนาที่จะได้สิ่งนี้อย่างแรงกล้าถ้าอย่างนี้ก็คู่ควรที่จะบรรลุได้แต่ข้อว่าฟังแล้วก็ยังเฉยๆฉยง่วงๆวซึมๆถ้าอย่างนี้ก็อู้อีกนานนานจริงๆหรือกันแค่ไหนก็ถามใจตัวเองกัแล้วกันชําระเนี่ยนะผู้ที่เขาเรียนบาลีมามากเขาจะตอบได้เป็นอย่างดีพันตรงนี้ของเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเรียนภาษาแต่ให้รู้ว่า คำถามที่สมบูรณ์คำตอบที่สมบูรณ์การชำระคำลักษณะของประโยคประเด็นทั้งหมดของของบทพยัญชนะนนนะของคาของความหมายของคำ ช, ำะชำระคำถามชำระคำตอบชาระวะ่าตอบแค่ไหนเรียกว่าตอบเสร็จแค่ไหนเรียกว่าตอบไม่เสร็จเป็นต้นเนีการวิเคราะห์ลักษณะนีว่าตอบตรงประเด็นทั้งหมดไหมตอบครอบคลุมหมดไหมถามดีไหมอะไรไหมลักษณะการวิจัยเหล่านี้เป็น โสทนะหาระวิธีการชาระเนี่ยนะชระคำถามชาระคำตอบพวกเกี่ยวกับเรื่องชําระเหล่านี้นี่แหละทำให้ถ้าใครรู้วิธีชําระทำให้ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ค่อยหลงประเด็นเนี่ยนะว่าถามเนี่ยถามดีไหมตอบตอบใช้ได้ไหมตอบเพียงพอไหมตรงประเด็นเป็นต้นไหมการที่สามารถชําระได้ตามนี้เรียกว่าโสธนะหาระวิธีกาจัดความหลงใน วิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในเรื่องของออบทของออทอบทประทัฐาก็คืออัตถะของบทคำถามคำตอบแล้วก็อารัมพสุทธิความบริสุทธินะนะ์ของทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วการพิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่าโสธนะาหาระ